พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบหกลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เกมกราคมสอง7ันห้า้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่าอย่าห่วงหาอะไรในโลกนี้ วันนี้เป็นวันที่9มกราคมพุทธศักราช 2,557 เมื่อคืนที่ผ่านมาหลงพ่อไปวัดท่านเล็กนาขามทาบุญลำเลึกถึงหลวงปู่เหลียนวรราโภที่เป็นอาจารย์ของพระ้ามามากเยอนะสองร้อยกว่ารูปแล้วก็มีพี่น้องประชาชนกมากพอสมควร เมื่อคืนนี้หลวงพ่อได้ไปเทศไปเทศที่งานหลวงพ่อเน้นย้ำเรื่องให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่อคืออะไร คือหลวงปู่มั่นท่านสอนคณะสิทธิ์มีหลวงปู่เทศหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงตาหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชามากมายแต่ท่านเหล่านั้นลูกของท่านได้ผ่านไปแล้วมรณภาพเกือบหมดยังอยู่ไม่กี่องค์ คือลูกของท่านลูกของหลวงปู่มั่นแต่พวกเราในเป็นหลานลูกท่านเหล่านั้นเองหลานในระหว่างพ่อปู่พ่อหลานในระหว่างหลานเนี่ยอยากจะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละสายแต่ละองค์ ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรไม่ใช่มาถึงหลานแล้วก็มองทางอื่นเป็นเติดประเสริฐกว่าอภิธานอย่างนั้นเข้าทรงอย่างนี้ออกนอกรูนอกทางเพื่อจะให้ซื่อเสียงโด่งดังไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเสียแนวปฏิปทาหลวงพ่อเน้นย้าเมื่อคืนนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็แจ้งข่าวอีกส่วนหนึ่งก็คือ ท่านพระสุเทพพราอาจารย์สุเทพที่มาทอดกระถินให้วัดเราเมื่อสองปีสามปีที่ผ่านมาท่านมรณาภาพแลวนะที่จังหวัดสระบุรีจะประชุมเพลิงวันที่สิบเอ็ดนี่แนหะท่านมรณะเมื่อวันที่ห น, นึ่งวันที่หนึ่งมกราห้าเจ็ดนี่แหละเราจะประชุมเพลิงวันที่สิบเอ็ดมกราห้าเจ็ดที่จังหวัด สระ บ, บุรีอำเภออะไรหลวงพ่อก็จําไม่ได้แต่ได้จดไว้อยู่แต่หลวงพ่อคงไม่ได้ลงไปเพราะหลวงพ่อยังเหนื่อยเพิ่งมาจากงานของหลวงปู่แล้วก็เดินทางไกลอีกคงไม่ไหวอายุถึงขนาดนี้แล้วอายุจะป่าเขาเจ็ดสิบแล้วนะลูกหลานนะจะไปแบบตลอนตลอดมันดูดูแล้วชักจะไม่ไหวแล้วจะต้องพักผ่อนบ้างแล้วก็เลยสั่งให้ทาง เสียต้อมเสียโชคเอาพลาดไตรไปร่วมงานแล้วอาจตุ ป, ปัจัยไปร่วมงานแล้วก็เอ3มพสามของหลวงพ่อเนะไปร่วมงานพระอาจารย์สุเทพท่านอาจารย์สุเทพนี่เป็นพระต่างนิกายแต่ว่าสนใจในภาคปฏิบัติอย่างมากมาถามหลวงพอ่อมาพูดเรื่องภาวนาให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่ออูพระสุเทพเนี่ย ท่านสนใจภาวนาจริงจังท่านบอกว่าภาวนาจนทําใจให้ตัวเองว่างมันว่างหมดเลยท่านอาจารย์ออไม่รู้จะยึดตรงไหนมันคล้ายๆว่ามันพอตัวในตัวของมันเองวะสรุปแล้วก็คือท่านในใจของท่านท่านก็ว่าใจของท่านบริสุทธิ์ในลักษณะอย่างนั้นแหละที่ท่านพูดให้ฟังนะแต่ท่านก็ไม่ได้พูดแบบชัดเจนแต่ท่านก็บอกให้ฟังลักษณะอย่างนั้น แต่ข่าวนี้ทราบข่าวว่าท่านปวดศรีรษะแล้วก็ความดันแล้วก็เข้าโรงพยาบาลทางกรุงเทพของเช้นเลือดแตกในสมองนะอาจารก็เลยมรณภาพแล้วนี่แหละเข็นกันไปมาหาสู่กันผลในที่สุดก็ได้ทราบข่าวซึ่งกันละกันว่าตายไปเสียแล้วนี่แหละเรื่องความตายเป็นของ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่อย่าลุ่มหลงเลินเลอ่อมัวเมาจนเกินไปควรประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่รู้จะวันไหนละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดน่ท่านพระอาจารย์สุเทพมาทอดกระถินที่วัดของเราแล้วคณนะศรัทธา ญ, ญาติโยมของท่านก็ซื้อรถแอม บ, บู ให้อําเภอนายุงและอําเภอน้ำโสมและหนองพอกที่ท่านช่วยซื้อรถให้รถราคาล้านกว่าที่ซื้อมาถวายหลวงพอ่อและให้หลวงพ่อมอบต่อนี่แหละบัตรนี้คงจะไม่เห็นผมไม่ได้เจอเห็นกันอีกแล้วนี่แหละชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายแต่โรงงาน หลวงปู่จามเอ่ออนั้นท่านอายุมากร้อยกว่าปีก็อีกส่วนหนึ่งแต่เกิดความเคารพนับถือเริ่มใสก็อยากจะให้ท่านอยู่นานแต่ภาระที่ท่านจะอยู่นานท่านก็เป็นภาระของท่านอีกเหมือนกันนะดูดูแล้วโอ้อไม่มีอะไรที่จะทุกข์เท่าแก่ชลาแต่ความทุกข์เมื่อเท่าแก่ชลามาในทุกจริงๆไม่ใช่ทุกธรรมดา ทุกมากเก่งๆเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนนะศรัทธาญาติโยมทุกท่านจะตั้งอยู่ในความประมาทควรประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆถึงข่าวตายก็จะทํำยังไงได้เกิดมาแล้วก็ตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราก็สวดกันอยู่อแต่ว่าถ้าเราไม่เตรียมกายเตรียมใจไว้อถึงเราจะพูดว่าธรรมดาธรรมดาขนาดไหนก็เถอะ เวลาจะตายมาไม่ใช่ธรรมดานะมันว่าวีอ้างว้างเงียบเหงาเป็นทุกข์ใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันถึงข่าวมรณะภัยมาถึงแต่ถึงยังไงก็ต้องถึงจะต้องไปจุดนั้นประนั้นขอให้พวกเราให้เตรียมพร้อมไว้แต่นั่น่นดีกว่าคิดไว้ทำไว้ทดลองไว้ทดสอบไว้ทดลองตัวเองตายไว้ แล้วก็พิจารณาตัวเองอยู่สม่ำเสมอถ้าว่าพวกเราได้ทดลองทดสอบมองที่ไหนก็คิดว่าตายไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยเราควรจะทำคุณงามความดีอันไหนไว้บ้างควรประกอบคุณงามความดีอะไรไว้บ้างไม่ใช่ว่าจะตายแบบห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงทรัพย์สมบัติห่วง ลูกห่วงหลานห่วงญาติผี่น้องห่วงพ่อห่วงแม่ไปไม่ได้หรอกคือเวลาตัวเองตายละ่ะต้องออกไปด้วยฉะนั้นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไปตายก็ต่างคนต่างตาย ต, ต่างคนต่างไปไปของใครของเหล่านี่แหละอันรุงเรื่องเหล่านั้นเป็นเป็นเรื่องกิเลส ท, ทั้งหมดเรื่องห่วงทรัพย์สมบัติห่วงพ่อแม่ผี่น้องปู่ย่าตายายมันเป็นเรื่องของกิเลสความห่วงหาอะไร แต่ตามไม่จริงพอถึงจุดจบแล้วห่วงไหมถึงจะห่วงขนาดไหนก็ห่วงเถอะถ้าห่วงแล้วนะความห่วงตัวนั้นแ่ะจะเป็นกิเลสตัวหนึ่งไปห่วงอะไรไปห่วงขนาดผ้าห่วงห่วงผ้าจีบอลยังว่าเกิดเป็นเล่นเฝ้าแต่เราไปเกิดอไปห่วงไร่ห่วงนากอนนั่นแหะห่วงลูกเราไปเกิดกับลูกอห่วงลูกท่านลูก ไม่มีที่จะให้เกิดถ้าไปเกิดกับหมาไปเกิดกับโรคตุกแกอยู่ในแถวๆนั้นละ่ะไปเฝ้าขเขาฮะเพราะว่าเราเป็นห่วงเดยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นความห่วงหาอะไรเราต้องตัดความห่วงไว้ในใจข้าไม่ห่วงใครทั้กขนาดร่างกายของข้าข้ายังไม่ห่วงเราจะไปห่วงใครฮมันต้องฝึกหัดในใจของเราลึกๆอย่างนั้นแต่การพูดออกมาไม่ใช่คําพูดเอไม่ใช่คําพูดที่จะต้องพูด แต่ในใจลึกๆของเราแล้วเราต้องตัดอย่างนั้นเราไม่ต้องห่วงใครทั้งหมดเป็นตัวของเราเองกรรมของข้าทำมามาดีได้มาชั่วถ้าเราทำกรรมดีไปแล้วเราจะต้องไปดีถ้าเราทำกรรมชั่วเราจะไปดีได้อย่างไรเราก็ต้องไปชั่วเพราะนั้นเราต้องพยายามสังสมแต่คุณงามความดีแต่กรรมดีถ้าคนที่มีแต่กรรมดีแล้ว มีแต่ความสบายใจมีความสุขใจในที่สุดนะแล้วก็ขอฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะนี่แหละมรณ ะ, ะภัยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่ากระฟาดญาติโยมไม่ว่าชุมชนกลุ่มใดนะไปด้วยกันทั้งนั้นละ่ะไม่มีใครแพ้ใครในจุดนี้เสมอกันหมดเพียงเท่ว่าไปก่อนไปหลังท่านเองจะวาดใด เ, เปียบเหมอนที่เปียกเขาไปก่อนเกิดมาพร้อมกันเขาไปก่อน เราได้เปรียบเขานะ่ะพื่เพื่อเ อ, เ, อเราเอาจจะทุกข์ทรมานมากกว่าอีกต่างหากทนเลยพออายุมากขึ้นไปไม่ใช่จะมีความสุขเอาบางทีก็ ม, มีเรื่องมีราวมีความอิดช้าพยาบาทอาขัดจ้องเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเอ็มเป็นโรคภยยัยไข้เจ็บลุมเล้ า, าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายไม่เข้าใจกัน่มีทุกข์อีกต่างหากนะเพราะอะไรพออายุยืนน่ะอายุยืนไม่ใช่ว่าจะสุขอย่างเดียหรอกหลูกหลานนะ <c oughs> ทุก็มีเหมือนกันนะเอารับพอรอันอโมทนาให้พร